ทำของพระพุทธเจ้าแสดงอย่างถูกต้องไม่มีปิดบังลี้ลับคือแสดงตามความจริงทุกอย่างไม่ว่าขั้นไหนห่างทําขเช่นอแบ บ, บาป บ, บุญนรกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นจนมาตั้งเข้าถึงเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นความจริงด้วยกันหมดเราจึงหาที่ค้านไม่ได้ะ แต่ทำไมมันถึงเป็นปัญหาสำหรับพวกเราธรรมะท่านแสดงไว้อย่างเปิดเผยไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรลี้ลับเลยแสดงตามความจริงล้วนๆซึ่งความจริง น, นั้นก็มีอยู่แสดงตามความจริงที่มีอยู่นั้นล้วนๆทุกขั้นแห่งความจริงแต่สำหรับพวกเรามันก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าที่ให้คนตาบอดดูยอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้น นี่นะ้นี่หนะ้ามืคำเห็นแต่ตาไม่เห็นนีะ่ะใครที่ไหนก็โดนตั้งแต่ทุกทั้งทั้งจิตท่านก็สอนมาทุกเป็นยังไงไมรู้อยู่แต่มันก็โดนมาจนได้เนี่ยบอกว่าทุกไม่ใช่ของดีก็โดนแต่ทุกเพราะสาเหตุมันเดินตามสาเหตุการกรอบโกยทุกขึ้นมาเทาตัวเองเท่านั้น ในธรรมคุณท่านแสดงว่าสันทิสิโกนี่ตอนตอนตายของต้นท่านวาเอหิปัสสิโกโอปะยีโกนี่เป็นหลักสำคัญมากเอหิปัสสิโกท่านจงมาดูทรรมของจริงอะไม่ได้หมายถึงว่าจะเรียกคนอื่นให้เขามาดูทรรมของจริง เอหีก็คือสอนผู้นั้นน่ะผู้ฟังทำผู้ปฏิบัติทำนั่นน่ะให้ท่านจงดูที่นี่คือท่านตจงดูที่นี่ที่นี่ความจริงนี่เป็นสิ่งถ้าว่าพูดแบบโลกโลกก็จะวา่าท้าทายตลอดเนล่ะคือจริงจนขนาดที่เรียกว่าท้าทายอย่างนั้นเถิดให้ดูที่นี่เอหีให้ดูที่นี่ ไม่หมายถึงว hmm. ่าเรียกคนอื่นมาดูใครจะมาดูได้เขาไม่เห็นของจริงรู้องจริงของจริงอยู่กับเขาเขาจะไม่เห็นเขาจะไม่รู้จะมาดูของจริงอยู่กับเราได้ยังไงหมายถึงกันดูความจริงของเจ้าของของจริงของเจ้าของที่มีอยู่นี้โอปณญิโกเห็นเรื่องอะไรก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นประโยชน์สาหรับตนเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์สี่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทาง กายนึกปรากฏขึ้นภายใจิตใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตของอันใดก็ตามให้โอปัญิโกนน้อมเข้ามาสู่ภานาจิตซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญมันจะก่อเรื่องต่างๆให้เกิดมีขึ้นภายในตนไม่นอกเหนือไปจากหยุด น, นี่เลยหยุดจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากมโนปุพังธรรมาธรรมาเท่านี้ก็กระเทือนโลกธาตุแล้ว ใจเป็นต้นเหตุทาทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญเ น, นี่ยมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบทาทั้งหลายไม่มีอันใดที่จะรับทราบได้นอกจากใจแล้วทำทั้งหลายคืออะไรกุศลธรรมอกุศลธรรมมีอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่มีขึ้นที่ใจทีนี้กุศลธรรมก็เกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจผิดใจให้มีความเฉลียวฉลาด ให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งออกมาจากความโง่เขลาของตอนเองโดยที่ไม่รู้สึกว่าตนโง่นั่นเรียกว่าอากุชลาธรรมมามันเกิดขึ้นที่ใจถ้ากุชลาธรรมะเป็นคือเรื่องของปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขความโงข่ของตอนที่เรียกว่าอากุศลานั้นให้มันหมดไปจากใจนี้นี่โอปัญญโกเข้ามาที่นี่เรื่องโง่เรืงฉลาดของใครก็ตามให้น้อมเข้ามามันมาน้อมเข้ามามาซัไอ เอกิปตโกให้ดูที่ตรงนี้บอแห่งเหตุทั้งหลายคือใจสแสดงอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดยั้ยงทำงานอยู่อย่างนั้นยิ่งกว่าเครื่องจกักรเครื่องยนต์เครื่องเขาเปิดเป็นเรลาองเเวลาแล้วปิดไปตามการตามเวลาของเขาอันนี้ไม่มีปิดเปิดวันยั่งคำ่ำคืนจงรุ่งเปิดจงกระทั่งวันตาย ไม่มีปิดอแล้วก็ บ, บ่นว่ามันทุกข์บ่นไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่แก้ต้นเหตุที่ควรแก้ซึ่งแก้ได้แล้วทุกกระดับไปเป็นลําดับลํำดับตามความสามารถด้่งความเฉลียวฉลาดหรือความรอบครอบอุบายวิธีหต้นที่แก้ไปได้ อ, อถึงไม่สอนพระที่อื่นนั่นมันเหมือนกับสอนให้ตะคุปเงา น่นโน่นโเอาตัวเหตุเป็นสําคัญกิเลสมันเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยระว่างนะอะไรเป็นตัวเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ความลําบากให้สัตว์โลกทั้งหลายลําบากตลอดถึงเป็นผลในเกิดแ ก, เก่เจ็บตายน่เป็นผลออกจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้อเป็นตัวเหตุตสำคัญมันเกิดขึ้นอย่างไรถ้าไม่เกิดขึ้นจากใจแน่มันอยู่ที่นี่คุณไม่สอนไปที่อื่น พอเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจังเอาเหตุเอาผลให้รู้ความจริงไปโดยลำหนับและถอดถอนเจเละไปได้โดยลำหนับซึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวภัยนั้นก็ถอดถอนที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นผู้ผูกมัดตัวเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาในขณะที่งงแคล้วว่าปัญญามาู้เรื่องรูปหลักเวลาถอดถอนโดยอุบายวิธีสติปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดไปโดยลำหนับดับก็ถอดถอนกันที่ตรงนี้นะสติตั้งให้มีอยู่ที่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่หน้า เป็นจุดที่รักเป็นจุดที่ควรรักษาอย่างยิ่งเป็นจุดที่ควรบำารุอย่างยิ่งคือใจบำารุงก็บำารุงที่นี่ด้วยสติด้วยการอบรมคือภาวนาส่งเสริม ท, ที่มีอยู่แล้วให้มีความเจริญขึ้นไปด้วยการบำเพ็จรักษาอย่าให้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ประมาทระวังอย่าให้จิตนี่แสออกไปรุ่งกับเรื่องอะไร แล้วนําสิ่งนั้นเข้ามาเผาตนเองมีท่านที่อยากรักษากําจัดก็คือค้นคว้าหาเหตุทผลของมันอันใดที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของไม่ดีให้พยายามแก้ไขค้นคว้าหาเหตุท้ผลเพื่อแก้ไขให้ถูกตามจุดข้งมันที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยดับไปดับไปเรื่องใหญ่โตมันอยู่ที่จิตเรื่องเกิดก็คือจิตเออจิต่องเที่ยวอยู่ในวัฏตะของสารยังไม่รู้จักกี่ประา ประมาณไม่เท่าไหร่เพียงคนคนเดียวเท่านี้มันก็เต็มโลกแล้วแหละสราส้างศพที่เกิดตายเกิดตายเกิดตายแต่เจ้าของนับไม่ได้นับไม่ถ้วนไม่รู้จักนับปิดบังตัวเองความจริ ง, งตัวเองที่เป็นมาสลายก็ปิดบังความจริงซะหมดยังเหลือแต่ความหลอกลวงโลโลเลเลหาความจริงไม่ได้ผมสอนให้แก่ที่นี่ พยายามอบรมสติให้ดหีทันกับความคิดความปรุงมันปรุงขึ้นที่กิจมันตกกิจอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติแล้วความกระเพื่อมของกิจตรุงยับออกมาเท่านั้นจะเป็นการตกสติกับปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเรานั่งอยู่กับที่แล้วฟังเราฟรา้อมันอยู่กับที่ที่ที่ที่จะเกิดขึ้นอย่างเหตุทั้งหลายได้ใจใจเราต้องทราบพอกับเพื่อมตัวออกมาก็ทราบทราบทราบ โดยดัำดับนี่คือจุดหลอกรวงก็หลอกที่นี่จุดที่จะเข้าใจความจริงก็คือจุดนี้เข้าใจด้วยปัญญาจากนั้นก็เอาพิจารณาดูเรื่องธาตุเรื่องขันให้เห็นจนกระทั่งถึงมันฝังจิตคือมันซึ้งในจิต ว่าอาการแต่ละอาการนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหพิจารณาหลายครั้งลหลายผลมาหักซึ่งไปเองคราวนี้ก็ทราบคราวนั้นก็ทราบคราวนี้ก็เข้าใจคราวนั้นเข้าใจเข้าเข้าใจหลายครั้งลหลายผลเลยเป็นความทราบซึง้งแน่ใจรูปตนะ่างว่ารูปอะไรเป็นรูปเนี่ยรวมทั้งหมดผมก็ไปรูป ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นรูปลว่วมเข้าไปข้างในอวัยวะภายในทั้งหมดอ้าวที่เป็นด้านวัตถุนี้อันนี้บอกกองรูปหรือเรียกว่ากายอ้าวดูนี่เวลาท่องเที่ยวให้สติตามความรู้สึกของเราที่เดินไปในอวัยวะส่วนใดอาการใดของร่างกายให้สติเป็นผู้คุมงาน ปัญญาเป็นผู้กรองไปความรู้รู้ไปตามอาการนั้นๆปัญญากรองไปให้มันซึงซึงสติรับทราบไปทุกระยะนี่คืองานของเรางานเล่่อหล่อนงานความคิดความปรงุงโดยไม่มีสติสตังนั้นเราเคยทํามาพอแล้วและเคยเป็นโทษเกิดโทษมากระทบกระเทือนจิตใจเรามากมายเพ่อะความคิดความปรุงเช่นนั้นงานเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรา งานเช่นนี้เป็นงานที่จะรื้อถอนพิษภัยอะไรที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราให้หมดไปโดยลำหนักๆคืองานกรมกับการกําหนดด้วยความมีสติกากับปัญญาไตรจรองความรู้เดินไปตามอาการนั้นเราถืออาการนั้นเป็นเหมือนกับเส้นบรรทัดเออมันเดินไปตามนั้นปัญญาแน่ไปตามอยู่แล้วเหมือนกับเขียนไปตามเส้นบรรทัดถ้าติประคองไปด้วยดูไปด้วย mm hmm. อืมเดี่ยเวลาเราเที่ยว แล้วความอยากรู้อยากเห็นหอย่างรวดอย่างเร็วนั้นเราจะเอาเขา ม, มาเกี่ยวข้องให้เหนื้อความจริงนั่นไปมันรู้ยังไงให้เข้าใจตามความรู้นั้นแล้วกําหนดตามไปเรื่อยๆเราจะแยกดูความเป็นอยู่ของมันไปยังไงอภายในภายนอกมันบางๆเท่ า, า, น, านั้นแหละไอ้ที่มันหลอกลวงตาโลกหลอกลวงตาหั่นตาเราไม่ได้นาเท่าเวลานะเลยคือผิวหนังเนี่ย เราจะพิจารณาในแง่หนึ่งเหล่านี้เป็นการพิจารณาเพื่อจะถอดถอนความหลงของตัวเองทั้งนั้นแล้วเวลาเราพิจารณาที่มันเพลินอีกเหมือนกันอ้าวดูขึ้นไปข้างบนดูลงไปข้างล่างดูไปข้างนอกข้างในภายในรวมตัวของเราเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้อ่าสติตามอย่มันสักแต่ว่าไปให้ตามไปตามปัญญาที่ตรองไป ตามความรู้ ท, ที่รู้กับอาการนั้นๆไปโดยลำดับลาดับะจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างที่ไหนถูกสัจธรรมทั้งนั้นเรียกว่าเป็นงานตะอยงเต็มที่ทั้งเหล่างานนี้เรียกว่างานหรืองานถอนพิษภัย ที่อุปทานเข้าไปแทกไปสิงประยึดไปถือจะทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกจึงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะอุปทานเป็นสาคัญคําว่าทุกมีทุกแห่งหนหมายถึงว่าทุกเพราะความยึดถือไปเป็นทุกข์ที่ใจไม่ใช่เป็นทุก์เพียงว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นทุกอันนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ถ้าสาวกก็เป็นได้เพราะขันนี้ตั้งหยุนมันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังตาอยู่แล้วมันจะต้องแสดงตามกฎท่องมัน แต่ถ้าหลักจิตผู้พ้นจากกฎอนิจจังทุกขังนันตานี้มีฐานะที่จะพ้นจากกฎอนิจจังทุกขังาานันตานี้ให้พิจารณาพิจารณาสิ่งที่ว่านี้อย่าให้กระทบกระเทือนตัวเองเพราะฐานะความตัวเองเป็นสาคัญที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มากระทบกระเทือนได้น่ะไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นภายนในพิจารณาลงไปดูหนังเป็นยังไงหนังสัตว์ที่เขาตาวิจาเป็นยังไงหนังรองเท้าเราเป็นยังไง ดูเป็นหดหเนื้อเอ็นกระดูกก็ดูเนื้อสัตว์เนื้อบุคคลมันก็เหมือนกันดูกระพายกระดูกเราดูดูอะไรดูเขาา้เขาไปดูภายในร่างกายเนี่นะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าท้าทายอยู่แล้วตามความจริงของเขาทําไมใจเราถึงไม่อาจหาันเพื่ยเห็นตามความจริงนั้นแล้วก็ท้าทายกับโดยความจริงตัวเองอยู่ทีนี่ด้วยเห็นสิ่งความจริงเหล่านั้นนัก มันเป็นความท้าทายขึ้นดอยสติปัญญาตนเองอีกทีหนึ่งจากความจริงทั้งหลายที่ท้าทายเราอยู่ลานี้มันถูกทั้งสองเงื่อนคือเงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายรูปเวทนาปัญญาและขันยานเป็นความจริงเป็นของมีอยู่ท้าทายอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนนะแล้วปัญญาก็ยังให้ทราบตามความจริงของเขาปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจเป็นการท้าทายความจริงขึ้นมาภายในจิตใจั้งตด น, นี่เป็นการถอดถอนกิเละ งดเป็นอย่างนี้นี่แหละความจริงกับความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เป็นไผ่ถอนพิษภัยทั้งหลายออกได้โดยลำดับเลยนะตอนที่พี่นาวเดินกรรมฐานอืมเนี่ยเที่ยวกรรมฐานดังที่ว่านเที่ยวไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ก็้องไปกลองไปออกนั้นแล้วก็เอา้ากรรมฐานนี่มันจะสลายแปลสภาพไปยังไงเอากันหมดลงไป มันจะเปื่อยจะผกระทังกําหนดลงไปกําหนดลงไปมันกองลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเคยกําหนดอย่างนั้นแท้ๆนะก็กำหนดลงไปกําหนดลงไปหรือเราจับในอนาการใดสมมติเราจะกําหนดให้มันเห็นชาติภายในจิตเราจะจับอาการใดก็ตามให้จับอาการนั้นไว้ให้แน่ให้เป็นความรู้ปรากฏให้เป็นภาพนั้นปรากฏอยู่ภายในจิตของเราสติจับ หรือจดจ้องอยู่ที่ตรงนั้นอ้าวภาพอันนั้นมันจะปรากฏสูงต่ํำไปไหนก็ตามเราอย่าไปคาดหมายความสูงความต่ําสถานที่ของเอ่อเจ้าหมายที่เรากำลังพิจารณานั้นให้ให้เราถือเอาเป้าหมายนั้นเป็นจุดสําคัญของความรู้ที่ติดแนบกันอยู่นั้นด้วยสติเป็นผู้ควบคุมอ่าอาการนี้มันจะขยายตัวมากน้อยก็ให้ให้มันเห็นประจักษ์ในปัจจุบัน จะสูงจะต่ําก็ให้มันรู้อยู่นั้นเราจะไปคาดว่านี่สูงเกินไปนี่ต่ําเกินไปนี่นอกจากกายไปแล้วที่แรกเรานึกว่าเราพิจารณาอยู่ภายใากายอาการนี้อยู่ภายในกายทําไมมันจึงกลายเป็นนอกกายเราจะไปคิดอย่างนั้นมันจะสูงจะต่ําจะออกนอกออกในก็ตามถ้าเราไม่ปล่อยความรู้ในเป้าหมายที่เรากําลังพิจารณานั้นนั่นแ่ะมันจะเห็นความแปลกประหลาดเลเ่นเห็นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวัตถุอันนั้นแ่ะเช่นเรากําหนดเนื้ออ้าว จะเป็นเนื้ออวัยวะส่วนใดก็ตามกำหนดลงตรงนั้นให้เห็นชัดเจนอยู่ภายในนั้นแล้วมันจะค่อยกระจายไปกระจายไปกระจายไปเมื่อสติของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยดีคือความรู้สึกตัวดีนะจิตก็รู้ทํางานปัญญาก็กลอตงตามนั้นถ้าเดี๋ยวมันก็ค่อยกระจายลงไปกระจายนี่หมาขึ้นมามันมันปื่อยมันพังลงไปพังไปอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังอ๋อดูมันชัดเจนลงไปเราไม่ต้องกลัวตายเออ กลัวอะไรเราดูความจริงไม่ใช่ดูว่าเราจะตายดินะอ่าดูอ่อสาสลายลงไปสล า, ายลงไปนี่เคยพิจารณาอย่างนั้นนั่นขาดลงอันนี้ขาดลงมันเทินในขณะที่พิจารณาพิจารณาร่างกายตัวนั่นแหละแต่ในขณะที่พิจารณาด้วยความบันเพลินนั่นร่างกายเลิปรากฏว่าหายไปหมดอีกเหมือนกันไม่รู้สึกตัวเลยท่าน ท, ที่เรากําหนดการนะเอามันทางลงไปทางนั้นหัวขาดลงไป ตกลงไปต่อหน้าแล้วเอาขาดลงไปแขนขาดลงไปแขนท่อนนั้นกระดูกท่อนนั้นขาดลงไปกระดูกท่อนนี้ขาดลงไปภายในนี่มันก็ทะลักออกไปเอาดูมันเลยๆเพิ่มดูเลยเอาแต่ลงไปแต่งลงไปเอาส่วนน้ําก็ซึมลงไปนี่หมายถึงว่ามันเห็นประจังนะซึมลงไปในดินบ้างเป็นไอขึ้นอากาศบ้างเรื่เวลาน้ํามันปรากฏเป็นซึมซาบลงไปใต้เป็นไปในดิน และออกเป็นอากาศหมดนแล้วมันก็แห้งเอาไปว่าส่วนนี้แห้งแห้งค่อยกรอบค้ายกรอก็แห้งเข้าไปแห้ง้าไปเลยกลายเป็นดินไปดินกับอันนี้เลยเหมือนก็กลมคืนไปอันเดียวกันไปมี่เห็นชัดอ่าส่วนที่แข็งกระดูกกำหนดโดยลําดับอย่างหนึ่งกำหนดไฟเผาก็มีอะอย่างหนึ่งให้มันค่อยให้มันค่อยอผุพังลงไปกระจายไปกระจายไปโดยลำดับคืนกันเข้าไปเป็นอันเดียวกันกับดินเห็นชัดเอ่ ที่ชัดที่สุดเกี่ยวกับารพิจารณานี่ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ําแล้วสิ่งที่ติดใจซึ่งซึ่งภายในใจก็คือธาตุดินส่วนน้ําก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นอารมณไฟก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะไม่เป็นข้อหนักแน่นสาหรับการพิจารณานและเป็นสิ่งที่จะซึ้งภายนจิตใจ<ม>เหมือนอ่ า, อาพิจารณานร่างกายส่วนรูปพระพ อ, อนี้มันกนระจายไปกระจายไปกลายไปเป็นดินหมด พอกลายเป็นดินหมดทค่นี่จิตมันก็เวิเว้งว้างพี่นอ่แล้วว่างไปหมดอย่างนี้ก็มีแต่ผู้พิจารณากรุณาอย่าได้คาดนะให้เอาความจริงของตนเป็นสมบัติข อ, ตของตนเป็นสักขีพยานของตนจะาเอาความคาดคะเนมาเป็นสักขีพยานมาเป็นข้อดําเนินมั น, มน มันคาดมันขาดแล้วมันจะเป็นไม่ใช่สมบัติของเรานั่นเป็นสมบัติของท่านสมบัติของเราคือเรารู้เองเราเป็นยังไงพายมันเป็นขึ้นพันในตัวขงเราเองนั่นแหละคือความรู้ของเราความเห็นของเราสมบัติของเราถ้ากําหนดอย่างนั้นบางครั้งไม่เป็นอย่างนั้นแลมันถ้เป็นต้องมันเองโดยหลักธรรมชาติพอกลายลงไปอย่างนั้นดินลงไปอย่างนั้นหมดแล้วบางทีซึ่นเช่นอย่างมัน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 ผุพังไม่หมดกลายเป็นดินไปหมดด้วยกันเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วกิจไม่สรางเป็นอะไรมันมันกลับมันอีกอันหนึง่งเป็นขนาดมันพับนองอิดาเนี่ยเลยหมดแผ่นดินก็ไม่มีนะตั้งตั้งที่แผ่นดินมันมันไหลามาทับกันอย่างรวดเร็วมาทับกระดูก กองกระดูกเราที่ยังกระจายไม่หมดละลายไปหมดมันเลยมาเป็นดินอันหนึ่งมันก็รูดขึ้นมาทับหรือว่าอืทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นดินหมดในร่างกายนี่ที่มันลงไปก็เป็นไปดินหมดพอวางงั้นจิตมันพับเข้ามาอีกมันมัน่ลิกขนังมันอะไรไม่ตราเลยดินก็หายอะไรๆหายหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆร่องไปหมดเลยเกิดคำวิสจันทร์ขึ้นมายังพูดไม่ถูก ซึ่งการพิจารณาเช่นนั้นเราก็ไม่เคยเปรดมันก็เป็นขึ้นมาอย่างแท้เปรตอะไอยู่นั่นครช่คืออยู่อันเดียวเท่านั้นนะจะมีขณะใดขณะหนึ่งของจิตว่าเป็นสองมันมีขึ้นมาไม่ได้เพราะมันตายตัวด้วยความเป็นหนึ่งแท้ๆที่นี้พอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นสองกับความปรุงทีงนี้มันไม่มีความปรุงไม่มีจึงเหลือแต่ความรู้ที่สักเทวะรู้และเป็นของสัจจันต์อยู่ในความที่ศักเทวะรู้นั้น คือมันเบิมว้างไปหมดเลยโลกธาตุนี่ต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่มีจะ<ม>ว่ามันเป็นอากาศทั้งหมดพูดนั้นมันก็ไม่สำคัญว่าเป็นอากาศอื่เหมือนกันมันมีอยู่ความรู้นั้นเท่านั้นเนี่ยพูดได้ทันนี้โอ้ยเป็นชัออ่วโมงชัออง่วโมงอยงู่นั้นพอจิตถอนอ อ, ออกมาจากนั่นแล้ว แม้แต่เราจะกําหนดดูอะไรมันมันก็เลยเบิกบ้างไปอีกเหมือนกันฮนี่กันอย่างอันนี้มันอาจเป็นได้คนละครั้งเท่านั้ น, น, นแต่นี้ก็เคยเป็นได้ครั้งเดียวไม่เคยซ้ําอีกเลยส่วนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะเฉพาะนี่มันเป็นได้ตามความจำนานของผิดเป็นได้จนกระทั่งแบบเป็นได้ทุกครั้งนั่น ถ้ามันทชำนาญมันเป็นได้ทุกครั้งที่เราพิจารณานี่ให้เห็นชัดความแปรสภาพให้เห็นว่เนเาเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟอย่างชัดๆอยู่นี้ทุกเวลาที่เราพิจารณาความที่เป็นอยู่เช่นนี้แหลคือเป็นความจะสามารถที่จะทําจิตของเราให้มีความเคยชินกับความจริงคือดินน้ํำลมไฟแท้ไม่ คือมันมาถอนเอาความที่แบบเป็นตนเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี่เป็นเราคือมาถอนอันนี้ออกลงไปสู่ดินน้าลมไฟแม้จะอยู่ในนี่มันก็แต่ว่าธาตุเน่ยถ้าว่าธาตุมันก็ธาตุถ้าว่าธาตุาาาดินมันก็ธาตุดินมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันทัดเพราะความรู้ช้ำช้ำซักซารู้ไม่หยุดไม่ยั้งรู้อยู่เรื่อยเรื่อยมันเพิ่มความ ซึ่งเข้าไปซึ่งเข้าไปจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วถอนตัวออกมาจากคําที่ว่ากายเป็นของเราเลยกายก็สักแต่ว่ากายถ้าให้ชื่อว่ากายก็สักแต่ว่ากายถ้าเราจะชื่อว่าสักแต่ว่าปรากฏสภาพอันนี้เท่านั้นมันก็พูดได้อืเมื่อจิตมันพอตัวแล้วมันถอนตัวออกมามันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเราจะว่าเขาเป็นอะไรเขาก็มีปัญหามันเป็นปัญหาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้ปัญหาของเหล่านี้ ออกจากความรุ่งหลงความสาคัญมั่นหมายต่างๆให้เข้าสู่ความจริงของตนคือรู้ล้วนล้วนอันนั้นก็ธาตุล้วนล้วนถ้าหาว่าเราแยกไปถึงร่างกายกับธาตุล้วนล้วนนี่แยกขมาจิตย้อนขมาจิตก็จิตล้วนล้วนทั้งสองล้วนลวนนี้เข้าไปก็เป็นความจริงล้วนล้วนนานอ่าทีนี่เมื่อเราทัรอย่างนี้อเวทนาจะเกิดขึ้นก็เกิดเอ่อจะว่าไง มันก็เป็นธาตุอันหนึ่งหรือเป็นสภาวะธรอันหนึ่งเช่นเดียวกับร่างกายอันนี้มันนิ่งถึงกันอย่างนั้นสัญญาความหมายพอปุงเย็บเราก็ทราบเสียมันออกไปจากหยินนี้ไปปุงอย่างนั้นไปสําคัญอย่างนี้เมื่อเราทราบแล้วมันก็ถอนตัวคือมันดับไปทันทีทันทีถ้าเราไม่ทราบมันก็ต่ออันนี้ดับพนันต่ออันนี้ดับพนั้นต่อมันต่อไปเรื่อยเลยเป็นเหมือนลูกโซ่แต่พอเราทราบแล้วมันก็ดับของมันดับในขณะที่สติ รู้ทันรู้ทันนั้นก็ไม่กลุงเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาหน้า <S <S นนี่เรียกว่าสติทันถ้าไม่ทันและต่อเรื่องในาการพิจารณาความจริงในร่างกายนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดพระริจ่าจึงทรงสอนสติปัฏฐานสี่มันมีอยู่ในร่างกายกับจิตใจนทั้งนั้นสัจธรรมก็มีอยู่ในที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่สรุปลงแล้วลงสู่ที่กิต ดังที่ว่าพิจารณาไปทั้งหมดพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาให้เพื่อให้จิตรู้รู้ตามความจริงนั้นแล้วจะได้ปล่อยจะได้ปล่อยความมุงหมายข้างบนในการยึดถือนั้นเข้ามาสู่ความจริงของตอนเนี่อา้าวเมื่อหมดความมุงหมายในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้แล้วหมดความมงายในเวชนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอันเกี่ยวกับขันห้านี่แล้วก็เข้ามาพิจารณาความมุงหมายของจิต อมันยังไม่มีของมันความมุงหายตามขั้นของกิเลสที่มันละเอียดอันนี้เรียกว่าเป็นความละเอียดของกิเลสเป็นความมงหมายละเอียดของจิตฮะถอนลงมาพิจารณาลงมาอีกเอาอะไรเป็นหลักเาพิจารณาจิตจิตเป็นนามธรรมเวทนาก็เป็นนามธรรมเนี่ยกิเลสก็เป็นนามธรรมปัญญาก็เป็นนามธรรมไม่ว่าจะเพียงบากิตจะเป็นนามธรรม สิ่งที่เป็นนามธรรมมันดูด้วยกันมันติดกันได้อิเลสกับจิตมันก็เป็นนามธรรมมันติดกันได้อ้าวปัญญาค้นลงไปมันเป็นนามธรรมด้วยกันค้นลงไปให้พิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกเแย้เห็นตามควาำพิ้งมอืมแล้วยกจิตนี้ขึ้นมาเป็นตัวนักโทษทีเดียวฟาดฟันหันแหลกลงในตัวนักโทษเนี่ยนี่ละนักโทษมันเก็บทั่เข้ามารวมในตัวนี้หมด หรือว่าตัวนี้เป็นตัวเก่งตัวรู้ตัวฉลาดสิ่งนั้นถึ่งนี้รู้ไปหมดแล้วโลกธาตุนี้รู้เพียงกินรดเพื่อนสัมผัสรู้หมดอรู้เวทนาสัญญาสังขารมีญาณภายในร่างกายที่เป็นขันธ์หานนี่มันรู้หมดแต่ไม่ยอมรู้ตัวเองนั่นสิมันมาติดตรงนี้มันมาโง่ตรงนี้เพราะถึงย้อนปัญญางเราเข้าแทรกเข้ามาภายในนี่ผ่าด้วยทะลุเข้าไปนี่แทงเข้าไปตรงนั้นเข้าไปหา ความรู้นั้นอืความรู้ที่มันมันว่ามันเก่งๆนั่นนะ่ะนั่นแหละคือตัวม ง, งมงายของมันเหมือนอะไรความรู้อันนี้ก็ดูยกขึ้นมาเป็นนักพูดมันก็เป็นสภาวะทำอันหนึ่งอา้าวจิตจะคิปหายไปเพราะการพิจารณานี้นอา้าวให้คิปหายไปถ้าจิตไม่คงต่อความจริงแนละ้วจิตจะคลิบหายถ้าจิตทรงความจริงไว้ตามธรรมชาติของตัวเองซึ่งเป็นความจริงจริ ง, รงๆแล้วอา้าวให้มันเห็นมันจะศูญหรือไม่ศูญให้มันรู้ มันจะไม่ศูญนะพ้นลงไปเราไม่ต้องเสียดายเรื่องจิตก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวว่ามันจะทําลายมันจะสลายมันจะชิบหายไปมันจะศูญสิ้นไปไหนเมื่อถูปัญญาทําลายไปกิเลสมันศูญสินไปจริงเพราะมันเป็นสิ่งจําปลอมอยู่ภายในจิตอะะกําหนดลงไปจริงจริงแล้วไอ้สิ่งที่มันควรศูนย์ยังไงมันก็อยู่ไม่ได้มันศูนย์สิ่งที่มันธรรมชาติที่มันศูนย์ไม่ได้นะทํายังไงมันก็ศูนญไม่ได้ฮคือจิต จะสูญไปไหนนั่นแหละผู้ที่ถูกกิเลสครอบงำอยู่นี่ก็คือจิตปัญญาฟาดปันกิเลสแหลกลงไปหมดจากจิตแล้วจิตอันนี้มันก็สูญไปไม่ได้เลย ก, กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาผู้นี้แลคือผู้บริสุทธิ์จาอะไรไปสูญฮะสูญแล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรนั่นตาอนั่นตายนี้ตายอันนี้เป็นอมตะขึ้น อมตะต้อความรู้สึกไม่ใช่ออมตังที่กลิ้งไปตามวัตตะ ว, วัตตะบนทั้งหลายนะอันนั้นก็เดี๋ยวมันไม่ตายแต่มันติ้งไปอยู่งั้นนี่อมตังอันนี้ไม่ตายด้วยไม่กลิ้งด้วยเป็นวิวัตอะคือไม่ตายแต่ไม่หมุนนี่ตัวจริงอยู่ภายในในท่ามกลางขันห้างหลอง่ออันนี้แหละตัวสําคัญเจ้ายุ่ยแย่ก่อกวนมันเข้าไปกุ้ม พงรุมจิจเนี่ยให้กิตหลงไปตามรูปตามท่าตามขันตามทุกเวทนาต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยวุ่นวายไปหมดเเขาไม่ได้ว่าอะไรนี่ร่างกายเอมีอะไรมันก็มีอย่างนั้นเวทนามันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามเรื่องของมันมันไม่ทราบมันเป็นเวทนามนไม่ทราบมันเป็นภูมิเป็นสุขเป็นเฉยๆอะไรเลยก็จิตนี่เป็นผู้ไปให้ความหมายแล้วจิตก็เป็นหลงความหมายตัวเอง โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเกิดโทษจากตัวเองเท่านั้นพ่านจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้มันเห็นตามธรามจริงของมันนี่แล้วอะไรจะจีบหายเราจะได้ขาดทุนเพราะอะไรร่างกายแต่ก็แตกไปสีก็อนอิจทร์จักทุกขังตาท่านก็ บ, บอกไว้แล้วว่ามันครอบโลกธาตุจะไม่ครอบขันยังไงอืมใจรักมันครอบโลกธาตุแล้วทําไมจะไม่ครอบขันแล้วได้นี่เมื่อมันเป็นไปตามกฎอินทรจักรทุกขังตามันเราจะได้ขัดขวางมันได้ยังไงอพยพมันไปเอ่ อะไรไม่ทนอ้าวแตกาปเออมันมีแต่สิ่งที่แตกแต่สิ่งที่สลายทั้งนั้นอยู่ในโลกธาตุนี่เป็นตัวแปรว่าช้าหรือเร็วต่างกันมีเท่านั้นแล้วขันของเรามันจะทนไปได้ยังไงมันก็อยู่ในกรอบอันเดียวกันอ้าวพี่นะให้เห็นตามความจริงไว้ก่อนที่ยังไม่แตกนี่เป็นความรอบคอบของใจของปัญญาชัดอ้าวถึงเวลาทุกทเวลาเกิดขึ้นเออนี่ขึ้นเวทีแล้ววันนี้วันนั้นเลย เราจะขึ้นเวทีเพื่อเห็นความจริงรู้ความจริงตามหลักธรรมไม่ใช่ขึ้นเวทีเพื่อความล่มจมนะทุกเวทนาเกิดขึ้นเป็นเรื่องของทุกเวทนาการที่ชนะเรื่องทุกเวทนาที่มีอยู่ในขันนี้เป็นเรื่องของสติปัญญาเราจะทราบความจริง น, นจะล่มจมไปไหนเราไม่ได้ทําเพื่อความล่มจมเราไม่ได้ทำเพื่อความสผาดโผงเร า, เ, า, ารเราทําเพื่อชัยชนะ ก็รู้ตามสัตว์ตามส่วนขอมจริงที่มีอยู่ที่เป็นไปที่เป็นอยู่ใหรอบภายในจิตใจเท่านั้น <c oughs> แล้วรอดพ้นไปได้จากสิ่งนั้นถ <c oughs> ึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่แหละถ้าหนะเป็นมงคลคือนิบรารณสัจฉิกิริยาเอรมังครรมุตตมังนี่แหละการทำพระนิพพานให้แจ้งทำอย่างนี้แหละ <c oughs> พระนิพพานถูกปิดบังคือจิต นั่นะถูกปิดบังเมื่อกิเลสทัฏหา อ, อาวิชชามันปิดบังมันไม่แจ้งจึงแก้ไขกันด้วยวิถีนี้คือพิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงเป็นการเปิดสิ่งที่ปิปดบังหลายออกที่เรียกว่าทํา ใ, าให้ผ่านให้แจ้งอให้แจ้งชัดธายในจิตใจเมื่อแจ้งชัดทั้งหมดแล้วเอตมังคธรรมุตมังเป็นมงคลองคสูงสุดนั่นะอะไรจะสูงสุดยิ่งกว่าให้บาสานิะสัจกิปิยา อันนี้เป็นสูงสุดต่อมาแล้วกับพุทธัะโลกอธรรมนิหิตจิตตัญะสานรรกรรมปติอโซกังเลยังเท่มังเอตมังขัมุตตะมังฮะจิตนี้อะไรมาสัมผัสก็ตามว่ามีความบันท่านึงเหมือนฝึงทั้งหลายอะไรก็มันก็แตกต้องมานด้มาเข้ามาได้เพราะมันหมดสุ้นไม่ใช่ว่าง่ายเตมังขันมังท่านจิตที่กัสสัเอตมังขัมุตตะมังอันนี้ก็ณีฮะ อยู่ที่นี่นะเนี่ยที่ท่านกล่าววงคลสองข้อที่กล่าวมานี้อยู่ที่ใจนี่นะไม่อยู่ที่ไหนตัวนี้ระเป็นตัวมงคนหรอวเป็นอัปมงคลก็อยู่ในฉากเดียกวกันนี่นะแล้วเวลานี้เราแก้อัปมงคลนั่นออกเพราะมันมีอยู่ติดใจของเราอยู่ให้เป็นวงคลขึ้นมานี่บาลสัจจคติยาเอาแก้เปิดเผยลงไปแตะโป ร, รจั ร, รมาจริการียจะริยสจารักษณะนี่ ตะโพคือความแผดเผากิเลสกิเลส เ, เป็นของร้อนเผาจิตเผาใจเราสัพพธรรมคือสติปัญญาเป็นของร้อนสำหรับกิเลสเผากิเลสลงไปนั่นวางไงอริยสัจจารัสนังคือรู้เห็นอริยสัจทุกก็รู้เ ต, ต็มเต็มจิตสมุทัยกัณณะได้เต็มใจมรรคก็บําเพ็ญได้เต็มภูมิของมหาสติมหาปัญญาไง นี่โรดก็แสดงเต็มที่นั่นแหละสัจธรรมถ้าว่าเห็นสัจธรรมตัง้งเห็นอย่างนั้นผู้เห็นผู้รู้สัจธรรมโดยสมบูรณ์นั่นแหละคือคือผู้ทำบริพานให้แจ้ง แ, แล้วแล้วผู้ไม่หวั่นไหวนั่นก็ทำทั้งทั้งหลายคือจิตนี่แหละอยู่ที่นี่พิจารณาเอาสาระสําคัญนี่ให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญส่วนน่างกายอะไรๆในขันข่างก็ยังว่ายังที่เราเห็นแลพิจารณาแล้วขอให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญ อะไรจะขาดจะขาดไปเธอโลกนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นมาแต่นั่นแต่ไายเราก็เคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่การแ้่เกิดตายเกิดตายนี่คราวนี้มันก็เดินตามทางหลวงที่มันเคยเดินทำหลวงทำทางหลวงคือทางคติธรรมราของมันใครห้ามไม่ได้มันเดินมาตามนี่เราก็รู้ตามความจริงของมันนีจะแบบไงก็เป็นความจริงของหเรา เอ้ตำมังหง ม, มุตตมังที่ตรงนี้หลักการแสดงทรรมก็เห็นว่าต้องกิด